เมอ น, นี้ได้ขา่าวมีชาวต่างประเทศมาหลายประเทศคนจีนคนลาวคนลาวยกมือให้ดูนะซิคนลาวอออยู่หน้านี่มากันกี่คนสิบเพื่อเก่งนะนั่งรถมาไม่ใช่ไก ล, ไกล เมื่อกี่คนไทยเมื่อก่อนก็เคยสับสนนะสำนักกรรมฐานเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยในเมืองไทยตรงโน้นก็สอนตรงนี้ก็สอนมันมีสำนักหลักๆอยู่ยจริงๆมีอยู่สี่ห้ากลุ่มนะกลุ่มหนึ่งคือสายอีสานสายครูบาอาจารย์วัดป่า หลวงปู่มั่นบุกเบิกมาก็อยู่มาเกินร้อยปีแล้วส่านนี้ตั้งแต่รัชกาลที่หก่าหลวงปู่มั่นสอนรูปแบบก็คือบริกรรมพุทโธจิตรวมสงบแล้วพิจารณากายในเบื้องต้นพิจารณาจิตในเบื้องปลาย เนี่ยหลักสายวัดป่าสายหนึ่งสายสวนโมกท่านพุทธทาสตวงนี้ท่านก็ดังระดับอินเตอร์เหมือนกันเป็นบุคคลสำคัญของโลกเหมือนกันโลวงปู ม, มั่นได้ที่หลังด้วยซ้ำไปแล้วท่านพุทธทาสท่านเขียนหนังสือเยอะท่านพุทธทาสจะสอนกรรมฐานคืออานาปานาสติ ส6บหขั้นตอนแต่หลวงพ่อยังไม่เห็นใครทำได้สิบหกขั้นเลยเหมือนวิทยายุทธ์นะมีคำพีฝึกสิบหขั้นตอนแตส่วนใหญ่ก็ได้ขั้นแรกๆนะขั้นหนึ่งขั้นสองฝีมือสู้พวกกว้ยเจ๋งพวกอะไรงั้นไม่ได้แต่นะบางท่านอาจจะทำได้หลวงพ่อไม่ได้รู้ทั้งหมด แต่เท่าที่รูจ้จักในอย่ังไม่เห็นอีกสายหนึ่งคือสายพองยุบนะดูท้องพองดูท้องยุบอันนี้มาจากพม่าพระทางด้านพระมหานิกายสายทางวัดมหาธาตุเนี่ยไปเรียนมาจากพม่าเจ้าคุณโชดกอะไรพวกนี้มาสอนกันก็สืบทอดกันมานานแล้วนะหลายสิบปีแล้วมั้ง ถึงร้อยยังก็ไม่รู้ไม่น่าถึงทีงคุณโชดกหลวงพ่อยังทันท่านก็ดูทองผ่องยุบสายนี้มีจุดเด่นก็คือจัดคอสเก่งมีคอสเยอะแยะเลยใครอยากจัดคอสก็เป็นเจ้าภาพได้ใครอยากสอนก็ไปอบรมอบรมไม่นานก็มาสอนกันละ อีกสายหนึ่งที่เป็นสายใหญ่ๆนะก็คือสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนอยู่ทางอีสานในหลวงพ่อเทียนเนี่ยฝึกพุโทโธไม่สําเร็จท่านเลยเปลี่ยนจากพุโทโธมาเป็นขยับทําจังหวะเนี่ยคนจีนรุ่นหลังๆจะรู้จักเรื่องทําจังหวะเนี่ยหลวงพ่อเคยก็ไปหาหลวงพ่อเทียนนะตอนนั้นเรียนจากหลวงปู่ดุลดูเรื่องแล้วเข้าไปดู ที่จริงสำนักที่เอ่ยมาเนี้ยหลวงพ่อเข้าไปหมดอะเรียนมาทุกสำนักอ่ะพือเห็นตัวหลวงพ่อเองเรียนหลักๆนะจากสายพัดป่านี่ครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อเนี่ยคือหลวงปู่ดูลเป็นองค์แรกหลวงปู่ดูลเป็นลูกศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ที่สุดนะของหลวงปู่มั่น รุ่นแรกสุดของหลวงปู่มั่นนี่มีห้าวงมีอาจาร์สิงห์หลวงปู่ดูลอีกสามวงหลวงพอจำชื่อท่านไม่ได้เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกเลยหลวงปู่ดูลให้เรียนได้เร็วมากเรียนได้เร็วอาจาร์สิงห์เนี่ยในวงกรรมฐานยุค ก, ก่อนถือว่าเป็นแม่ทัพแม่ทับธรรมในสายหลวงปู่มั่น เป็นลูกสิธย์ที่มีกำลังเข้มแข็งมากในการสั่งสอนอย่างหลวงปู่เทศยังเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สิง์เลยท่านสอนครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ๆนี้มาช่วยหลวงปู่มั่นดูแลมาอย่ตัวท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านย่งไม่บรรลุมรรคผลท่านอยากได้พุทธภูมิ ส่วนหลวงปู่ดูลเนี่ยไม่ได้ปรารถนาพุทธภูมิแต่เดิมหลวงปู่ดุลปรารถนาปัจเจ ก, กพุทธเจ้าอย่าเป็นพระปัจเจกแต่นะพอมาเจอหลวงปู่มันท่านทิ้งเลยท่านไม่เอาล้ท่านเจอทางไปแล้วท่านก็ไปงั้นหลวงปู่ดูลเนี่ยจะมีลักษณะของพระปัจเจกไม่ค่อยสอนเงียบๆนะเราไปเรียนด้วยเราต้องใช้ความสังเกตของเราเองสังเกตให้มากครูบาอาจารย์ทำอะไรยังไง ค่อยๆดูไปหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่นะในใสายหลวงปู่มั่นนะหลายองค์หลวง ป, ปู่ดูลหลวงปู่หลวงปู่เทศหนะลวงตามหาบัวหลวงปู่สิมเยอะๆเลยประมาณสามสิบองค์ทุกองคสอนลงมาที่จิตเหมือนกันหมดเลย เวลาท่านสอนคนอื่นนะสอนญาติโยมเยอะๆท่านให้พุโทโธพิยนักกายพุโทโธไปทาบุญทาทานไปแต่เป็นหลวงพ่อเข้าไปหาเนี่ยท่านชี้เข้ามาที่จิตให้ดูเข้ามาที่จิตเลยหลวงพ่อยังเคยสงสัยถามหลวงปู่ดูลนะบอหลวงปู่ครับผมไปสํานักไหนสํานักไหนมันก็มีแต่เรื่องกายนะอย่างสายพองยุบก็ดูท้อง หลวงพ่อเทียนก็ขยับมือท่านพุทธทาสก็รู้ลมหายใจนี่ก็กายวัดป่าก็พุโทโธพิจารณากายไปที่ไหนก็มีแต่กายทั้งนั้นเลยใอ้ถามหลวงปู่หลวงปู่ครับผมจะต้องย้อนกลับไปพิจารณากายบ้างหรือเปล่าหลวงปู่มองหน้าเราแบบสังเบสนะโง่โง่แต่ท่านไม่พูดนะท่านมองแบบสลดใจคำถามอะไรงี้เง่าอย่าง ท่านก็บอกว่าที่เขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตเมื่อเราภาวนาเข้าถึงจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งเป็นของที่ทิ้งไปเลยเราก็ไม่สงสัยแล้วก็ดูจิตมาเรื่อยๆแท้จริงแล้วแก่นธรรมคาสอนของหลวงปู่มั่นเข้ามาที่จิตท่านสอนถึงขนาดบอกว่าถ้าได้จิตก็ได้ทํา ถ้าไม่ได้จิตก็ไม่ได้ทํานี้รูปแบบอยู่ๆคนจะเข้ามาที่จิตนะเข้ามาไม่ได้ไม่รู้จะเข้ามาได้ไงเพื่อเริ่มต้นทำสมถะพุโทโธไปทําไมให้ใช้พุโทโธพุโทโธแปลว่าอะไรพุโทโธแปลว่าจิตพุโทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก้นที่ท่านให้บริกา ร, รพุโทโธพุโทโธนะเพื่อเตือนตัวเอง ให้รู้ทันจิตตนเองหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะ่ะท่านหนึ่งเป็นน้องหลวงตามหาบัวคุณแม่จันดีองค์นี้ภาวนาเก่งนะหลวงตารับรองเลยว่าท่านภาวนาแตกหักไปตั้งแต่ปีสามห้าแล้วภาวนาดีเจอท่านท่านถามหลวงพ่อท่านอาจารย์ภาวนามาแบบไหนทำไมจิตลงที่เดียวกัน จิตลงที่เดียวกันลงที่ไหนโลกที่จิตสิหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อฝึกอานาปานาสติเริ่มตอนเรียนจากท่านพหลีท่านพระหลีก็ลูกจิตลงปูมันนแต่ท่านชอบอานาปานาสติหลวงพ่อเล่นอานาปานาสติตั้งแต่เด็กเจนทั่งลมหายใจมันระงับลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาแสงมันอยู่ตรงเนี้ย แสงสว่างเขาบอกคุณแม่จันทีหลวงพ่อดูที่แสงเนี่ยถ้านะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ท่านบอกท่านนั้นเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมท่านใช้พุทโธท่านกำหนดจิตอยู่ตรงนี้เหมือนกันที่กใกล้ๆจมูกนะปลายจมูกพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตเคลื่อนหนีไปเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่จมูกก็รู้เคลื่อนไปอยู่ที่พุทโธก็รู้เคลื่อนไปที่อื่นก็รู้ เพื่อนล ก, กันเดียวกันถ้าเราพานานะเข้าถึงแก่นมันจริงๆเนะเพราะว่าแก่นมันอยู่ที่จิตาเราจะพุโทโธก็รู้ทันจิตไปเราจะหายใจก็รู้ทันจิตกระทั่งจะขยับมือก็ต้องคอยรู้ทันจิตหลวงพ่อเตียนนี่ไม่ได้สอนให้ขยับมือเพื่อจะรู้มือนะท่านให้ขยับมือแล้วก็พอจิตมันลงไปเนะย ให้รู้ทันจิตนี้ไปคิดให้รู้ท่าบอกคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านดีๆนั้นะท่านลงมาที่จิตทั้งนั้น น, ะนี่พวกเรารุ่นหลังเนะีเรียนมันไม่ได้แก่นเรียนเข้าไม่ถึงแก่นคําสอนของครูบาอาจารย์เราก็เริ่มงงว่าเราจะพูดโธดนะีหรือเราจะหายใจดีหรือเราจะขยับมือดีหรือเราจะดูท้องผ่องยุบดี สิ่งเหล่านี้คือเปลือกของการปฏิบัติคือรูปแบบเท่านั้นเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตเท่านั้นเองถ้าได้จิตก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยใช้กรรมพิธีอะไรถ้าไม่ได้จิตก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความสงบเฉยๆนะเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกกรรมฐานอะไรดีหวือกรรมฐานอะไรมันมีแต่ว่ากรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราเราทำได้แต่ทาต้องทาให้เป็น เห็นถ้าเราดูท้องพองยุบแล้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องเราไม่เห็นนะมันคือสมถะกรรมฐานมันคือการเพ่งท้องเป็นสมถะขยับมือแบบหลวงพ่อเทียนนะแล้วจิตเคลื่อนไปอยู่ที่มือเนี่ยมองไม่เห็นนั่นคือการเพ่งมือจินไปแช่อยู่ในมือก็ได้อะไรได้สมถะจะไม่มีวิปัสสนาอะไรหรอกธรรมานาปันสติแร้วจิตไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจหรือไหลไปอยู่ที่แสงสว่าง อันนี้ก็เป็นสมถะเพราะฉนันกรรมฐานนะไม่ว่าจะกรรมฐานอะไรก็ตามเหอะถ้าจิตมันไหลลงไปแช่อยู่ในอารมณ์กรรมฐาน น, นั้นๆนะนั่นคือการทำสมถะกรรมฐานทั้งหมดเลยหน้าที่เราทำยังไงไม่ให้จิตลงไปแช่หรือไม่ใช่แต่จิตเคลื่อนลงไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนะให้มีสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้ว เวลาที่เราทำกรรมฐานเนี่ยจิตจะเคลื่อนสองรูปแบบหลักๆอนหนึ่งเคลื่อนทิ้งอารมณ์กรรมฐานานั้นไปเช่นพุโทโธพุทโธอยู่ดีๆก็หนีไปคิดเรื่องอื่นหรือขยับมืออยู่ดีๆนะใจหนีออกไปนอกวัดละหลวงพ่อเห็นด้วยตัวเองเลยตอนนั้นภาวนาเป็นแล้วหลวงปู่ดุลท่านรับรองว่าหลวงพ่อช่วยตัวเองได้ล้เราถึงห้าวหาญออกไปดู สำนักต่างๆที่เข้าภาวนากันไปวัดสนามในนหลวงพ่อเตียนสอนขยับอยู่ท่านขยับไปพูดไปเราดูท่านเออท่านทําได้ฮะท่านขยับท่านพูดเลยนะท่านไม่ได้ขาดสตินะท่านรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มองไปที่ลูกศิษย์นะลูกศิษยคารวะนะท่านที่หลวงพ่อไปดูนะไม่ใช่ลูกศิษย์พระลูกศิษยคารวะอย่างพวกเราเนี่ยขยับนะบางคนขยับสวยมากเลย แต่ใจมันหนีออกไปนอกวัดมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวบางคนขยับไปแล้วเครียดท่านี้แล้วต่อไปทา่าไหนวะออกท่านี้นะไปนี้เนี่ยใจอู้เคร่งเครียดมากยิงยงงยเราดูพวกนี้ขยับไม่เป็นอนะ่ะไม่ได้อย่างอาจารย์หลวงพ่อก็อาบางไม่ไปนั่งรวมกับเขานะไปนั่งใต้ต้นไม้ ที่วัดสนามในนั่นแหละแล้วขยับบ้างนะขยับส4บยังวะขยับไปขยับมาลำคาญให้เราเป็นพวกโทสาจริทธ์นั้มา้ยพิธีกรรมมากมาย14บี่ยังวะลำคาญเอาใหม่ขยับมันแค่เนี้ยเหลือสองยังวะกรรมกับแบแค่นี้เพราะเราเห็นหลวงพ่อเทียนนะรู้ว่าหลวงพ่อเทียนขยับมือแล้วจิตท่านเป็นยังไง จิท่านรู้เนื้อรู้ตัวแล้วขยับแล้วรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปนะเพราะแก่นแท้ของคำสอนทั้งหลายนะที่ดีๆเนีคำสอนเพียเพ้ยนๆเนะี่ยเยอะเลยแก่นคำสอนที่ดีๆเนี่ยมันจะเน้นอยู่ที่ความมีสติรู้สึกตัวกวับความมีสมาธิจิตใจตั้งมัน่น ไ ม, ไ, ไม่หลงไปไม่ไหลไปนะจิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดนะูดูอะไรก็ทำกรรมฐานอะไรก็ดูอันนั้นแหละแล้วก็รู้ทันจิตตัวเองเพรานบางทีนะมาเรียนกับหลวงพ่อฟังแล้วงงเมื่อหลวงพ่อประโมสอนอะไรมาฟังไม่้ค่อยจะรู้เรื่องไปเรียนอย่างนี้ดีกว่าขยับอย่างนี้ง่ายดีแล้วพอขยับถูกก็ถูกถูกละ ที่จริงมันถูกแต่ท่าแต่มันไม่ถูกในเคล็ดวิชาคือไม่ได้จิ ต, ตไปดูท้องพองท้องยุบมันง่ายเนี่ยพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอง่ายมากเลยยกท่ายกหนอย่างหนョอะไรเงียง่ายเรียนแป๊บเดียวนะั้นก็ออกมาสอนคนอื่นได้ละสอนพองยุบยกย่างอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันไม่ได้แก่น แก่นที่เราจะต้องได้มาคือจิตของเราจิตจะต้องมีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดนะูแล้วก็มีสติระลึกรู้กรรมฐานของเราไปมีสติระลึกรู้อย่างเรารู้ลมหายใจมีสติรู้ลมหายใจไปมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูจิตจะไม่จมลงไปในลมหายใจนะดูท้องพองยุบ มีสติรู้ท้องพองก็รู้ท้องยุบก็รู้แต่จิตตั้งมั่นไม่จมลงไปที่ท้องขยับมือมีสติรู้มือที่เคลื่อนไหวเห็นรูปมันเคลื่อนไหวสติรูนะ้จิตไม่จมลงไปในมือแล้วก็ไม่ลืมกรรมฐานหลงไปคิดเรื่องอื่นเนื้อหัวใจสำคัญนะั่นคือความรู้สึกตัวนั่นเองเพอเรารู้สึกตัวจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วนะจะทากรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันหมดเลย ในขั้นของสมถะกรรมฐ า, านเนี่ยใช้อารมณ์กรรมฐ า, านอะไรก็ได้ไม่เลือกแต่ในขั้นวิปัสสนาเนี่ยเลือกอารมณ์สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ ม, มีสี่อย่างอันหนึ่งเรียกว่าอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดอย่างคําว่าพุทธโธเนี่ยเป็นอารมณ์บัญญัติใช้ทำวิปัสสนาจริงๆไม่ได้นะไอ้ท่องพองหนอยุบหนอเนี่ยอันนี้ก็เป็นความคิดเป็นอารมณ์บัญญัตินะ นามาภะทะสัมมาระหังเ น, นี่ยบริกรรมมีเยอะแยะเลยแต่ละสำนักนะีไอ้ น, นี่ก็ไม่ใช่อารมณ์ปรมาจะเป็นอารมณ์บัญญัติเป็นเรื่องที่คิดคิดเพื่ออะไรเพื่อจะล่อจิตให้มาอยู่ที่เดียวแล้วพอจิตหนีไปจากอารมณ์นะก็รู้ทันอย่างสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะท่านท่องนามาภะทะน้มาภะทะไปจริงจริงท่องอะไรก็ได้ก็เอ๋ยกอกไก่ก็ได้ หลวงพ่อเกษมเขียมโกนันะแสดงทําให้หลวงพ่อฟังก็เอยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาฟังละะนี่เหรอว่ากรรมฐานนะพอนานตั้งนานนะโอ้ของท่านกรรมฐานจริงๆแหละกรรมฐานจริงๆนะถ้าเรื่องของสมถะเนี่ยใช่อารมณ์อะไรก็ได้นะอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดก็ได้นะอารมณ์รูป รูรูปเช่นท้องพองท้องยุบหายใจออกหายใจเข้าอะไรเงี้ยเป็นรูปอารมณ์ที่เป็นนามธรรมเช่นดูความสุขทุกข์เฉยเฉยดูกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นนี่อารมณ์ที่เป็นนามธรรมหรือดูจิตมันทํางา น, นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นนามธรรมเนี่ยอารมณ์นี้มีสามตัวแล้วนะอารมณ์บัญญัติคือเรื่องที่คิดทําสมถะได้แต่ทำอภิปัสนาไม่ได้ อารมณ์รูปอารมณ์นามเนี่ยมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอย่านึกว่าดูรูปแล้วจะเป็นวิปัสนานะไปดูท้องพองท้องยุบเนี่ยจัดคอวิปัสนาสมถะแทบทั้งนั้นแนหะแล้จิตมันไหลไปอยู่ที่ท้องจิตมันไม่เป็นคนดูเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรนะค่อยๆรู้เท่าทันไปจิตมันไหลไปก็รู้ไหลไปก็รู้หลวงพ่อเตียนก็สอนบ่าคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวจิตมันหนีไปคิดรู้ทันมัน ทันทีที่รู้ทำไห่จิตคิดจิตรู้ก็เกิดนะครูบาอาจารย์ที่ท่านดีๆนะท่านสอนเหมือนกันหมดเนะนะงินที่พวกเรามาเรียนยกับหลวงพ่อนะเราเรียนอะไรเราเรียนแก่นแก่นคำสอนนะคลายๆเคล็ดวิชานะขั้นสุดยอดก็คือขั้นจิตส่วนรูปแบบของการปฏิบัตินะั้นจะไปใช้รูปแบบอะไรก็ได้ที่เราถนัด เีอารมณ์นะมีอารมณ์บัญญัติอารมณ์รูปอารมณ์นามมี อ, อารมณ์หนึ่งเรายังไม่เห็นกันอารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานไม่ใช่ท่องนิพพานังปรามาังสุญญังนิพพานังปรามังสุขขังอะไรเงี้ย น, นั่นคืออารมณ์บัญญัติท่องเราไม่ได้เห็นสภาวะนิพพานมีสภาวะนะสภาวะที่สิ้นตัณหาใจเนี่ยหมดแรงดิน้นสิ้นความอยาก นิพพานมีสภาวะนะสงบสันตินิพพานคือความสิ้นตัณหาถ้าใจเรายังอยากอ ย, กอ ย, กอยู่ไม่มีวันเห็นนิพพานนั่งพุทโธนั่งหายใจขยับมือขยับท้องอะไรก็ตามเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำใจยังมีตัณหายอยากได้มาผลนิพพานรับรองว่าไม่ได้ใจมันมีตัณหาตัณหาะนะั่นแหละ มันปิดกั้นเอาไว้เลยนะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความสิ้นตัณหาวิราคะทําให้เราเห็นพระนิพพานเดี๋ยเราไปทําเหตุของทุกข์ไม่อยากจะเจอนิพพานไม่มีวันเจอสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะคือแก่นของการปฏิบัติเรียนให้ได้จิตตนเองเมื่อได้จิตตนเองแล้วเนี่ยการเจริญปัญญาเนี่ยใช้กรรมฐานอะไรก็สะดวกไปหมดเลย ต่ทั้งพุโทโธนะคนไปปริยัติบอกพุโทโธเป็นสมถะเพราะว่าเป็นอารมณ์บัญญัติใช่ท่องพุโทโธเฉยๆเป็นนกแก้วนกขนทองเป็นสมถะแต่ถ้าพุโทโธแล้วรู้ทันจิตนะพุโทโธเป็นแค่เครื่องกำกับจิตตัวที่เรารู้จริงๆคือตัวจิต จิตเป็นนมามธรรมงั้นเรารู้จิตไปแ ล, พททลป้พุทโธกำกับไปพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วก็รู้พุทโธพุทโธจิตสุข ก, ก็รู้จิตทุกก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้พุทโธเรารู้ทันจิตไปได้ทําไม่จะบรรลุมรรคผลไม่ได้มันคือการรู้นมามธรรมนะมันทําได้นะเนี่ยพอหลวงพ่อเรียนจากหลวงปูดูดนะเราได้จิตมาคราวนี้ไม่ว่าเราจะมองกรรมฐานอะไรเราก็พบว่า ถ้าทำได้ถูกหลักคือได้จิตตนเองมานะมันก็ไปได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าทำแล้วมันไม่ได้จิตนะก็ได้แต่เปลือกไปไม่รอดหรอกนะ่ยกรรมฐ า, านอะไรมันก็เหมือนเหมือนกันแล้วแหละแล้วแต่ความถนัดไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สำคัญคือจิตตนเองนั่นแหละการเรียนเรื่องจิตนะสำคัญมากนะก่อนจะถึงขั้นเจริญปัญญาต้องเรียนเรื่องจิต ดังนันบทเรียนที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มีบ 1, ออสบทเรียนที่หนึ่งชื่ออาทิศีลศิกขาเรียนว่าทํายังไงศีลจะเกิดทํำยังไงศีลจะไม่ดังพลอยบทเรียนที่สองชื่ออาทิจิตศิกขาเรียนยังไงจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมที่จะเดินปัญญาจิตที่จะเดินปัญญาได้นะั้นต้องตื่นขึ้นมาถ้านะเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งเหนื่อยรู้จักจกลับมาพัก เพราะนั้นจะทำได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาฉะั้จะต้องเรียนให้ได้สมาธิสองชนิดอันหนึ่งสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวจิตเป็นหนึ่งอยู่กับอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันเช่นจิตเป็นผู้รู้อยู่กับพุทธโธอยู่ด้วยกันหรือจิตอยู่ในความรู้สึกตัวใช้จิตเป็นวิหารธรรมจิตอยู่กับจิตอย่างนี้ก็เป็นสมถะเป็นสมถะได้ เราต้องเรียนจิตตนเองให้ท่องแท้ซะก่อนนี่คือบทเรียนที่สองนะบทเรียนที่1ศีลสิกขาอันที่สองจิตตสิกขาจิตตสิกขาจะทําให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องมีสองอันอันหนึง่งทำให้จิตมีแรงอันนี้คือสมถะกรรมฐานจิตสงบในอารมณ์ัเดียวจิตจะมีแรง อีกงานหนึ่งเป็นสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต่างกันนะถ้าสมถานี่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งถ้าวิปัสสนาเนี่ยจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์6รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูเมื่อเราได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยมันก็ถึงบทเรียนที่สมชื่อปัญญาสิกขา ปัญญาสิกขาจะเริ่มต้นตั้งแต่การแยกรูปนามการแยกรูปแยกนามนะเราจะต้องฝึกให้ได้จิตสิกาข mm hmm. าก่อนพระฝึกจิตสิกขาเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาแล้วแยกรูปนามทํ ำ, ทำยังไงมีเห็นจะยากเลยขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมใครไม่รู้ว่าร่างกายกำลังนั่งอยู่ไม่รู้ก็ บ, บ่าละของง่ายๆแค่นี้ไม่รู้รู้ไหมร่างกายหายใจออกหรือร่างกายหายใจเข้า รู้ก็รู้ได้ใช่ไหมแต่ละเลยที่จะรู้ต่างหาก ง, งั้นหลวงปู่ดูลยบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะตัดพัวเข้าที่จิตเลยครั้งแรกที่เจอเนี่ยสอนตัดเข้าที่จิตเลยท่านบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง คำว่าอ่านก็เหมือนอ่านหนังสือไม่ใช่ให้แต่งหนังสือเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปรุงแต่งจิตอ่านหนังสือหนังสือเป็นยังไงก็อ่านไปอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจิตเราเป็นยังไงเราก็รู้ไปอย่างนั้นเนี่ยที่ท่านสอนหลวงพ่อมานะเข้ามาที่จิตเลยแล้ววันหนึ่งหลวงพ่อก็พบว่าเราจเจริญปัญญาดูจิตเกิดดับอยู่อยู่อยู่จิตรวมรึเลยก็นะไปหาท่านบอกหลวงปู่ครับ ผมดูจิตอยู่นะแล้วมันเคลิมเคลมลงไปหลวงปู่บอกจิตมันเข้าสมาธิก็อบอกท่านบอกหลวงปู่ครับผมดูจิตเจริญปัญญาอยู่ไม่ได้ทำสมถะทำไมหลวงปู่บอกว่าจิตเข้าสมาธิหลวงปู่บอกว่าการดูจิตเนี่ยจะได้สมาธิอัตโนมัติเะนั้นเราเข้ามาที่จิตนะจะมีทั้งสมถะทั้งวิปัสนาอเลยในอรพิธรรมเขาก็สอนนะมันมีจิตอยู่สองดวง ที่ใช้ทาสมถาง่ายดวงหนึ่งคือจิตที่มองไปในช่องว่างดูช่องว่างนะชื่ออากาสารัญจายาตนาจิตอีดวงหนึ่งคือจิตที่ไม่จับอะไรเลยนะไม่จับทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนมามธรรมเรียกว่าอากินจัญญาญตนะไม่จับอะไรเลยไม่จับกระทั่งตัวจิตด้วยนะไม่จับทั้งอารมณ์ที่ถูกรู้ไม่จับทั้งจิตที่เป็นผู้รู้นะเรียกว่า อากิญจัญญายตนะเพั้นถ้าเวลาเราจะทําสมาธิเราดูจิตอยู่เหน็ดเหนื่อยแล้วเดินปัญญาเหน็ดเหนื่อ ย, ยนะล้วทําความรู้สึกเข้าไปในความว่างเยในช่องว่างนี่บางคนมันช่วยนะมันน้อมจิตงว่างแล้วรู้สึกสบายเลยติดอยู่ในความว่างเพะั้นดูจิตก็ติดสมถะได้นะถ้าดูจิตแล้วว่างเฉยๆอยู่อันนั้นสมถะต้องรู้ให้ดีหลวงพ่อไปเรียนที่หลวงปู่ดูล น, นะสิ่งที่ได้มาคือจิต ก่อนหน้านั้นเรียน่างท่านพ่อลีเรียนอน า, น า, านาปณะสติทำอานาปณะสติจนร่างกายสลายไปหมดเลยเหลือแต่จิตงพมันมาที่จิตที่เดียวกันนี่เองเพ่อหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตไม่ใช่เรื่องยากสำหรับหลวงพ่อล้นะเพราะเราเคยได้จิตที่เป็นผู้รู้มาตั้งแต่เด็กแล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะไปต่ อ, อยังไงให้พวกเราเนี่ยมาฝึกให้จิตมันเป็นผู้รู้เพราะจิตมันเป็นผู้รู้แล้ ว, ลว ร, รู้อะไร รู้รูปนามร่างกายนี้เป็นตัวรูปเห็นไหมร่างกายนั่งใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้นี่คือการแยกรูปนามรูปมันนั่งอยู่จิตเป็นคนเห็นรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนอนจิตเป็นคนเห็นรูปหายใจออกรูปหายใจเข้าจิตเป็นคนเห็นนี่คือการแยกรูปนามนะเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งใน16ขั้นเคยเรียนเรื่องโสรถยานนะพวกฟองยุคนี่ชอบเรื่องโซรสยานมากเลยแต่ไม่มีหรอก เพราะอะไรแยงรูปนามไม่เป็นจิตมันจมลงไปที่ท้องกันแทบทางนั้นแหละถ้าทําเป็นต้องผ่านจิตสิกขามาก่อนแล้วเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูพอมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะก็เห็นรูปมันหายใจเห็นรูปมันพองรูปมันยุบเห็นรูปมันเดินรูปมันหยุดนิง่งรูปมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเสร็จแล้วปัญญามจะเกิดนะมันจะรู้ว่าไอ้รูปนั้นนะไม่ใช่ตัวเราของเราหรอก มันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นตามหลังการแยกรูปนามมานะการแยกรูปนามเนี่ยนะจะแยกแบบท้องพองอันหนึ่งท้องยุบอันหนึ่งอันนี้ไม่ใช่แยกรูปนามอันนี้แยกรูปกับรูปจะแยกรูปนามต้องมีนามนามที่สำคัญที่สุดคือนามจิตสิ่งที่เรียกว่านามมีสองอย่างนามจิตนามเจตสิกจิต คือตัวที่รู้อารมณ์ทั้งหลายเจตสิก ค, คือความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตอย่างความสุขความทุกข์โลภโกรธหลงอะไรพวกนี้เป็นเจตสิกเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตไม่ใช่จิตหรอกแต่มันเกิดร่วมกับจิตอย่างจิตกโกรธเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากจิตไปรวมเข้ากับเจตสิกโกรธกับความรู้สึกโกรธก็เลยกลายเป็นจิตกโกรธขึ้นมาส่วนจิตจริงๆเป็นอะไรเป็นตัวรู้ เราจะฝึกให้ได้จิต ท, ที่เป็นตัวรู้ขึ้นมานะถัดจากนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรับรู้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปทั้งสิ้นมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยจะเห็นอย่างนี้นะตรงนี้แหละที่มันเป็นมิปัาสมาจริงๆไม่ใช่คิดเอานะจะต้องเห็นเอาต้องรู้สึกเอานี่เราจะรู้สึกอย่างนี้ได้จิตต้องเป็นผู้รู้แยกขึ้นมาก่อนนะแยกเอาผู้รู้ขึ้นมา แล้วก็มีรูปนามเป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยคือการแยกรูปนามถ้าแยกอย่างนี้ได้แล้วการเดินปัญญาขั้นต่อไปจะทำได้มันจะเห็นว่ารูปทุกรูปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นามทุกนามนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างท่องแท้นะต่อไปมันก็เข้ามาที่ตัวจิตผู้รู้เองตัวจิตผู้รู้เองนึงก็เกิดดับเหมือนกันไม่ใช่เที่ยงนะ งั้นถ้าฝึกแล้วมีตัวผู้รู้เที่ยงอยู่ยังฝึกผิดอยู่ต้องฝึกจนกระทั่งเห็นนะตัวผู้รู้เองก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆมันเกิดยังไงเดี๋ยวมันก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวมันก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้ไปเพ่งเพ่งท้องเพ่งลมเพ่งมือเนี่ยจับหลักให้แม่นนะแล้วการภาวนาของเราจะสั้นนิดเดียวเลย ถ้าเราไม่ได้เคล็ดวิชานะเราก็คล้ายๆถ้าเมืองจีนนะมีหนังกาลังภายในเอะมีสำนักงอ้อใบบูตึงเศร้าลินแต่และสานักวิชาสำนักไหนดีถ้าได้เคล็ดวิชาจริงๆนะได้แก่นแท้ของการฝึกวิทยายุทธจริงๆนะจะรู้เลยกระบี่อยู่ที่ใจกระบี่ไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าคนจีนเคยได้ยินไหมกระบี่อยู่ที่ใจ งั้นอย่จะเรียนวิทยายุทธให้ถึงจุดสุดยอดนะก็ต้องเรียนให้ถึงใจไม่ใช่กระบวนท่ารํำท่านี้สวยหรือท่านี้ดีนะจะตั้งท่าไหน mm hmm. พ่อเคยเล่นนะ mm hmm. ไม่ใช่ไม่เคยหลวงพ่อเป็นนักดาบนะแต่ไม่ได้ชักดาบนะเป็นนักดาบ mm hmm. mm hmm. ใครเธอเลอ่อเธล่าเข้ามาจะมาชกเราเนี่ยไม่ง่ายนะ mm hmm. ไม่ง่ายนะ mm hmm. ดีไมด่ดีมือเราเท้าเราไปก่อนนะ มันฝึกมาตั้งแต่เด็กๆแนละ้ววิทยา ย, ยุทธขั้นสุดยอดคือกระบี่อยู่ที่ใจนะอันนี้ขั้นสูงเลยนะขั้นสูงกว่านั้นจะมีอีกขั้นหนึ่งนะคือขั้นสุญญาตาไร้ใจไรกระบี่นะไร้ใจนี่คือปล่อยวางตัวผู้รู้ได้แล้วฉนะนั้นกระทั่งการปฏิบัตินะกับคำภีวิทยายุทธนะมันยังกลืนกันเล ขอให้เข้าใจถึงขีดสุดของแก่นวิชานะมันจะเข้ามาที่ใจทั้งนั้นนะนักดนตรีเล่นเก่งเล่นตามตัวโน๊ตมันจะเก่งไหมมันก็เหมือนกันทุกคนใครใครก็เล่นตามโน๊ตอันนี้ทำไมบางคนมันเล่นแล้วมีความรู้สึกที่ดีเพราะมันเล่นด้วยใจมันไม่ได้เล่นด้วยด้วยตัวโน๊ตมันใจมันถึงนันไอ้คนวาดรูปใช่ไหมใครมันก็วาดเป็นรูปอะ จะทำไมบางคนวาดแล้วมันได้ความรู้สึกเพราะมันใส่ใจเข้าไปงนะันไม่ว่าเราจะทำอะไรนะถ้ามันถึงใจสักอย่างเดียวสิ่งนั้นจะยอดเยี่ยมกรรมฐานนี้ก็เหมือนกันนะถ้าไม่ได้ใจไม่ได้หลักไม่ได้แก่นก็จะมีแต่เปลือกแล้วก็เริ่มเถียงกันว่าเปลือกไหนดีกว่ากันพองยุบดีหรือพุทโธดีหรือสัมมารหังดีนะนามาพาธาดี หรือว่าอาณาปานาสติดีหรือว่าทำจังหวะดีถ้าไม่ได้จิตอะไรๆก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละมันไม่ได้แกน่นได้แต่เปลือกแล้วก็ทะเลาะกันว่าเปลือกใครจะสวยกว่ากันเหมือนเสื้อผ้าเราเนี้ยเสื้อผ้าไม่ใช่ตัวเราเราก็เลือกเสื้อผ้าให้พอดีกับตัวเราเราก็เลือกกรรมฐานให้พอดีกับจิตใจเราปฏิบัติแล้วสบายนะ เนี่ยรู้จักเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองเหมือนเลือกเสื้อผ้าไม่ใช่ตามอย่างคนอื่นนะอย่างคนอื่นเขาหุ่นเพียวเงี้ยนะเราก็อยากจะใส่อย่างเขาบ้างใส่เข้าไปแล้วกลายเป็นเขาต้มมัดนะน่าเกลียดนะเพราะ้นกรรมฐานก็ต้องเหมาะกับใจของตัวเองใส่เสื้อผ้ายังต้องเหมาะกับร่างกายเลยนะทำกรรมฐานก็ต้องเหมาะกับใจของตัวเองทำยังไงแล้วใจสบาย ถ้าใจสบายมันก็ภาวนาไปได้เรื่อยๆขยันภาวนาภาวนาแล้วอึดอัดเครียดเดี๋ยวก็เลิกการฝึกนะให้ได้ใจของตัวเองมาวิธีฝึกให้ได้ใจสอนมาเยอะแล้วไปเปิด YouTube ฟังเอาง่ายๆก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่ถนัดแล้วคอยรู้ทันใจของตัวเอง พุโทโธแล้วใจหลงไปคิดก็รู้หลงไปอยู่ที่พุโทโธก็รู้หายใจแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปอยู่กับลมหายใจก็รู้ดูท้องพองยุบใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปจมอยู่ที่ท้องก็รู้เหมือนกันนะอะไรก็ได้ไม่ดีไม่เลวต่างกันหรอกเพราะฉะนั้นมันจะเข้าข่ายวิชานินจานินจาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคืออาบุธทั้งหมดเลยใช้เป็นอาบุธได้ทั้งหมดเลย ถ้าเราฝึกกรรมฐานเป็นแล้วนะกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้หมดเลยเหมือนอย่างถ้าเราทำสมถะ น, นะเราเล่นกสินนะเราได้กสินไฟดวงเดียวนะอีกเก้าดวงเนียไม่ยากลนะได้หนึ่งก็ได้ทั้งหมดอ่ะนะงั้นฝึกนะฝึกให้ได้จิตใจของตัวเองทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ลงไปไหลไปถ้าไม่ได้หลักเนี้ยก็คลาไปเถอะ อีกกี่พบกี่ชาติก็ไม่รู้แล้วก็ไปนั่งทะเลาะกันว่าสายไหนดีกว่าสายไหนสายไหนก็ตามถ้าทำถูกหลักได้จิตมาใช้ได้ทางนั้นนะสายไหนทำแล้วไม่ได้จิตตัวเองมาอย่างพุโทโธพุโทโธแล้วก็สงบนิ่งไปเฉยๆไม่ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเหมือนกันหมดอนะ่ะเท่าเทียมกันไปกินข้าวไปไปกินข้าวก็มีตัวรู้นะ้า เห็นร่างกายกินข้าวใจเป็นคนรู้เห็นใจมันตักละใจเป็นคนรู้เห็นใจมันโมโหคนมันมาตักของอร่อยไปแล้วใจเราโมโหนะใจเราเป็นคนรู้เนี่ยคอยรู้อยู่ที่กายที่ใจตัวเองไปนี่หมดหนยครับ